พุทธาภีติอันรัมยังพุทธาภีติิงกโรมเซอโอทาวารหันตวาระตาที่คุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตน้น สุดธาพิยานะการุณาิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระการุณาอันบริสุทธิ์โอเทิโยสุชนตังกมลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโดดอาทิตยธรรมบัวให้บาน วันหาหธรรมะรนางศิรสาจินเนีทางข้าพระเจ้าว่ายพระชิ น, นสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสาภปานินางสารนางเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายป่าธาณุสติธาัาวันทามิตังสิเรนหงังข้าพระเจ้าว้ว้พระพุทธเจ้าพระองค์นานอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าว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 พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำรรจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพูททัสหังนิยาเทมิสริรันชีวิตตันจิทางข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า วันทัานโตหังจริสามิพุทธาเซวะสุพทิตังข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธามซึ่งความตัสรุดีของพระพุทธเจ้านาะธิเมารานังอันยังพุทโธเมารานังวรางสารณ ะ, ะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนสัสจวัฒนวัฒนายังสัตตุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุดทางเมวันธมาเนิยังปุญญังมัสุตังอิธา ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตาสตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นพระเยนวาจจยวเจตสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธทกุกรร ม, มปัจตังไม่ยา่ยังกรรมนาติ่เตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัชยันตังขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเรสังวริตุงวัฏทุเตเพื่อการสำรวมระวางในพระพุทธเจ้าในการต่อไป